ตอนที่20เขาเป็นคนดีมากไม่ข้าไม่ได้หรอกข้าจะรบกวนให้คุณช่วยอีกได้ยังไงเรื่องเมื่อเย็นนี้ฉันก็ต้องขอบคุณมากแล้วที่ช่วยออกหน้าแทนฉันลีชิงพิงรีบโบกมือปฏิเสธตอนนี้ยังหางานที่เหมาะสมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้า ค, ค่อยๆหาไปแล้วกันไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรครับเจ้งอวินเฉยด้วยน้ำเสียงทุ่มต่าในตาสีดําขับของเขาจับจ้องไปที่ร่างของลีชิงพิงเขามักจะรู้สึกเสมอว่าผู้หญิงคนนี้มีความทาร่ดทนแฝงอยู่ไม่ว่าชีวิตจะยากลําบากเพียงใด นางก็ยังสามารถดิ้นรนฟันฝ่าขึ้นไปได้อย่างเข้มแข็งแม่คะคุณอาเจิงยังบอกอีกว่าถ้าปกติแม่ไปทํางานแล้วหนูไม่อยู่บ้านก็ให้หนูไปกินข้าวที่บ้านคุณย่าเจิงได้ด้วยนะหลีหวานที่อยู่ข้างๆช่วยพูเสริมเพื่อเพิ่มคะแนนความประทับใจของเจิงอวินฉงในใจของหลีชิงผิงแบบนั้นมันจะรบกวนเกินไปหลีชิงผิงไม่รู้จริงๆว่าควรจะรับความช่วยเหลือจากเจิงอวินฉงอย่างไรดีสิ่งนี้ทําให้นางรู้สึกเกรงใจจนไม่สบายใจแต่ทุกครั้งเจิงอวินฉงมักจะตอบกลับมาอย่างราบเรียบว่า ไม่รบกวนครับหรือเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นชายหนุ่มยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่มีทีท่าว่าจะจากไปหลีชิงผิงจึงเอ่ยชวนเขาเข้าบ้านเพื่อดื่มน้ำอีกครั้งแต่เจ้งางวินฉงเพียงกำชับให้นางล็อกประตูบ้านให้ดีก่อนจะขี่จักรยานจากไปหลีชิงผิงล็อกประตูบ้านพรุ่งนี้นางไม่ต้องไปทำงานเมื่อมองดูเงินค่าจ้างหนึ่งหยวนที่เพิ่งได้รับมาในวันนี้นางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลและไม่มั่นค ง, งนเงินเก็บที่ฝากไว้ในธนาคารย่อมมีวันใช้หมดข้าสักวันนางต้องหางานที่เหมาะสมให้ได้โดยเร็ว แม่ข้าออกไปทำงานมันเหนื่อยเกินไปต่อไปหนูจะเลี้ยงแม่เองหลีหวันมองออกว่าหลีชิงถิงกำลังคิดอะไรอยู่จึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจรงิงจังอย่างไรเสียหลีหวันก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะแห่งตระกูลแพทย์แผนจีนอีกทั้งยังมีมิติน้ำผู้วิญญาณเป็นของวิเศษติดตัวการจะเลี้ยงดูพวกนางสองคนแม่ลูกจึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งนักหลีชิงถิงคิดเพียงว่าคำพูดของลูกสาวมาจากความกระตันอยู่รู้ความจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจนะักแต่ในใจกลับรู้สึกตื้นตัน จะดีมากตอนนี้แม่เลี้ยงหนูไปก่อนไวรอให้แม่แก่จนเดินไม่ไหวเมื่อไหร่หนูค่อยมาเลี้ยงแม่นะลีชิงพิงคิดในใจว่าช่างเถอดพรุ่งนี้ค่อยคิดเรื่องงานอย่างจริงจังอีกทีก่อนนอนหลีหวานได้จัดเตรียมสมุนไพรร้อยปีชุดใหญ่ออกมาจากนั้นก็เริ่มปลูกชุดใหม่ลงไปกระแสะเวลาภายในมิตินั้นเร็วกว่าโลกภายนอกมากประกอบกับปกติจะใช้น้ําผู้วิญญาณในการรดน้ําสมุนไพรที่ปลูกออกมาจึงมีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งหาได้ยากยิ่งในท้องตลาดหักนําออกไปเพียงต้นเดียวก็เพียงพอที่จะสร้างความสันสะเทือนได้แล้วเรื่องที่หลิวเคอร์เคอร์อลาวาดอย่างไร้เหตุผลที่ร้านอาหารของรัฐเมื่อคืนก่อนถูกนักข่าวจากสำนักพิมพ์อื่นนำไปตีพิมพ์ด้วยความประสงค์ร้ายทําให้นางถูกหัวหน้าบรรณาธิการตําหนิอย่างรุนแรงและสั่งพักงานเพื่อสํานึกตนหลิวเคอเคอรู้สึกกับแค้นใจและไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆนางจึงตัดสินใจนั่งรถไฟกลับไปยังหมู่บ้านเทียนสุย่ยเพื่อไปหาโจเจียนเย่ ในเมื่อเรื่องงานไม่สมหวังอย่างน้อยเรื่องความรักก็ต้องได้ดั่งใจบ้างสิจริงไหมครั้งนี้โจวเจี้ยนเย่พักอยู่ที่บ้านเดิมนานพอสมควรนานเสียจนหนิวซูเฟินเริ่มรู้สึกไม่สบายใจลูกชายของนางไม่เคยลาพักร้อนนานขนาดนี้มาก่อนหรือว่าเขาจะไปทําความผิดอะไรที่เขตทหารเข้ากันแน่โจวเจี้ยนเยต่ตอบปัดไปโดยไม่ได้บอกความจริงเขาตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้กับคนในครอบครัวแต่การมาถึงของหลิวเคอเคอก็ได้ช่วยสลายความกังวลใจของหนิวซูเฟินไปจนหมดสิ้น หลิวเคอเคอไม่ได้มามือเปล่านางซื้อของขวัญมาฝากทุกคนในบ้านและยังเป็นของที่ถูกใจผู้รับเสียด้วยเดิมทีหนิวซูเฟินก็เอ็นดูหลิวเคอเคออยู่แล้วพอเจอแบบนี้เขาก็นิ่งรักและพึงพอใจในตัวนางมากขึ้นไปอีกในระหว่างที่หนิวซูเฟินกําลังเต้มแสดงฝีมือทําอาหารเพื่อต้อนรับอย่างกระตือรือรน้นเมื่อสบโอกาสที่ไม่มีใครอยู่โ จ, โจเจีนเย่จึงกล้าเอ่ยถามหลิวเคอเคอว่าคุณมาทําไมครับที่เจียนเย่ขชันถูกหัวหน้าบรรณาธิการสั่งพักงานเพื่อสํานึกตนค่ะ หลิวเคอเคอไม่ได้คิดจะปิดบังโจเจี้เย่ในเรื่องนี้เลยนางเ อ, อ๋ยออกมาตรงๆอะไรนะโจเจี้เย่ถามออกไปตามสัญชาตญาณว่าเพราะอะไรก่อนที่หลิวเคอเคอจะเริ่มพูดขอบตาของนางก็แดงระเรื่อขึ้นมาเสียก่อนนางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านอาหารของรัฐคืนนั้นโดยพยายามเลี่ยมประเด็นสําคัญและเน้นให้ตัวเองดูน่าสงสาร ลูกสาวของพี่กับลีชิงผิงพูดต่อหน้าคนตั้งมากมายว่าฉันทําลายชีวิตคู่ของพวกพี่บีบบังคับให้ฉันขอโทษพวกนางทําให้ฉันต้องอับอายขายหน้าต่อหน้าเพื่อนร่วมงานต่อมาเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูนักข่าวสานักพิมพ์อื่นพวกเขาเอาไปเขียนข่าวจนเป็นเรื่องใหญ่โตฉันทําให้สํานักพิมพ์เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากหัวหน้าบรรณาธิการโกรธมากก็เลยสั่งพักงานฉันค่ะลีชิงผิงนางกล้าพูดคําพวกนั้นกับคุณได้ยังไงโทษะของโจเจียนเย่พุ่งพานขึ้นมาทันทีลีชิงผิงทําเกินไปแล้วจริงๆ เรื่องของเขาสองคนไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยอีกอย่างในเรื่องนี้เขาก็ได้รับบทลงโทษที่ไม่ยุติธรรมไปแล้วทําไมถึงยังต้องดึงเคอรเคอเข้ามาเกี่ยวด้วยอีกละ่ะเคอเคอต่างหากที่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดมาโดยตลอดเจียนเย่ยขะตอนนั้นฉันก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรเพราะถ้าเรื่องมันบานปลายสุดท้ายมันก็ต้องส่งผลกระทบถึงที่อีกแน่ๆหรือเคอเคอทําทีเป็นว่านางยอมแบกรับความกดดันทั้งหมดไว้เพียงลาพังเพื่อหวังจะให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก โจเจียเย้ยรู้สึกสงสารนางจับใจอย่างบอกไม่ถูกเขาอ้าปากค้างด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนทันใดนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเคอร์อเคอผมขอโทษเจี้ยนเย่ยคะพี่จะมาขอโทษฉันทําไมไม่ใช่ความผิดของพี่เสียนหน่อยแววตาของหลิวเคอเคอร์อไหววูบฉันแค่รู้สึกเสียใจแทนพี่นะคะไม่ว่ายังไงเสียหวานก็เป็นลูกสาวของพี่แต่กลับทําลายชื่อเสียงของพี่ต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนั้นหลีชิงผิงสั่งสอน ล, ลูกยังไงกันแน่เห็นได้ชัดว่านางสอนให้เด็กเกล็ดชังพ่อแท้ๆของตัวเอง โจจี้นเย่ขมวดคิ้วแน่นเหตุผลที่เคอเคอพูดมาเขาย่อมเข้าใจดีแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นอายุ13แล้วจะยังสั่งสอนอะไรได้อีกต่อให้เขาเอาลูกมาไว้ข้างกายก็เกรงว่าจะสั่งสอนไม่ได้แล้วอย่างไรเสียโจเจี้นเย่ก็ถือว่าได้ทําหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่แล้วหลีหวานจะยังไงก็ช่างนางเถอะคุณวางใจได้ผมจะไม่ยอมให้คุณต้องทนรับความอายุทีรรมนี้ฟรีๆแน่โจจี้นเย่เอ่ยปลอบหลิวเคอเคอีกสองวันผมจะกลับไป ไม่เป็นไรหรอกข้าถือเสียว่าฉันได้ใช้เวลานี้พักผ่อนไปในตัวชั้นยังเคยบ่นอยู่เลยว่าหัวหน้าบรรณาธิการมอบหมายงานให้ฉันเยอะเกินไปครั้งนี้จะได้อุ้งานได้อย่างเปิดเผยเสียทีหลิวเคอเคอร์แซงยิ้มอย่างผ่อนคลายจนถึงตอนนี้ฉันถึงได้รู้ว่านอกจากเรื่องงานแล้วสำหรับฉันยังมีเรื่องอื่นที่สําคัญยิ่งกว่าโจวเจียนเย่ A. เขาย่อมฟังออกว่าคําพูดของเคอเคอหมายความว่าอย่างไรอันที่จริงก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนนั้นคลุมเครือมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขาอย่าแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเคอเคออีกต่อไปโจเจีนนิ่งเงียบไปนานโดยไม่พูดอะไรจนกระทั่งหลิวเคอเคอร์อฝืนยิ้มออกมาอย่างยากลําบากไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ฉันก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยตอนที่ฉันมาฉันเห็นว่าที่นี่ทิวทัศน์สวยงามดีที่คงไม่รังเกียจใช่ไหมถ้าฉันจะขอพักที่บ้านพี่สักดิสองสามวันแน่นอนครับคุณอยากจะพักอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยเดิมทีโจเจีนเย่ตั้งใจจะให้นางไปพักที่เรือนพักรับรองในตัวตําบล แต่พอได้ยินว่าหลิวเครอรเครอต้องพกกับความอายุติธรรมในเรื่องนี้เขาจึงยอมตามใจนางงั้นฉันออกไปช่วยคุณป้าในครัวนะคะหลิวเครอรเคอร์อลุกขึ้นเดินออกไปยังห้องครัวด้วยความดีใจโจวเจี้ยนเย่เพิ่งจะสัมผัสได้ถึงความสุขของครอบครัวอย่างแท้จริงก็ในวินาทีนี้เองตอนที่หลีชิงถิ่งยังอยู่ที่บ้านเขาไม่เคยสัมผัสได้ถึงความสุขเลยแม้แต่น้อย ตามที่แม่ของเขาบอกหลีชิงถิงเป็นคนรักสบายและเกียจคร้านไม่รู้จักกระตันยูต่อผู้ใหญ่แถมยังเป็นพวกใช้เงินมือเติบเมื่อเทียบกับเคอร์เคอและไม่สิจะพูดที่ถูกคือทั้งสองคนไม่มีอะไรที่เทียบกันได้เลยแม้แต่นิดเดียว